ทีมไหนมาก่อนใครมาก่อนแล้วคุณสุนังนะครับนอกสงกันบ้านไหมโอ้คุณกบดีนะดีละ่เรารู้สึกยังไงคือเราไม่ได้ทำอะไรอนะ่ะจิตเป็นหน้าที่ของจิตเขาจะ ค, ค, ค่อยค่อยเรียนรู้ไป หน้าที่ของเราก็คือตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาพอร่างกายเคลื่อนไหวสติมันก็ระลึกเองจิตใจเคลื่อนไหวนะสติก็ระลึกเองตอนนี้มันระลึกเองอยู่ทราบไหมมันระลึกได้เรื่อยๆไม่ต้องกล้าไปนหนไม่อเพราะว่าการปฏิบัติถึงจุดที่ว่าเราทําเป็นแล้วเนี่ยต้องทําต่อเนื่องทําำเนือง ซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกับทำอยู่กับที่นี่แหละที่เคยเล่าให้ฟังว่าคนอีสานท่านเปรียบเทียบบอกเหมือนผู้หญิงทอผ้าถอดผ้ามันก็มองอยู่เฉพาะหน้าเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเป็นวันเป็นเดือนทำอยู่งนี้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีทำตรงนี้วันหนึ่งจิตมันแจ่มแจ้งแล้วมันจะพัฒนาเชิงคุณภาพตอนนี้การปฏิบัติมันอยู่ในขั้นการสะสมเชิงปริมาณ สะสมปริมาณหมายถึงเราตามรู้ตามดูทุกวันทุกวันทุกวันไปนะจิตมันจะค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจไปถึงวันที่มันจะแจ่มแจ้งเนี่ยมันก้าวกระโดดอย่างฉับพลันเราะนั้นไอ้สิ่งที่ยืดเยือ้อยาวนานเนี่ยนะก็คือการสะสมเชิงปริมาณเวลาพลิกเป็นคุณภาพนะพลิกฉับพลันเวลามักเกิดก็เกิดฉับพลันใหญ่คุณในเห็นไหอ้อตรงทางนี้ยกเลยเกิด พิมพ์นิม ก, กอนนะว่าไงพิามาก็ึกจับจับไม่ได้นะตอนนี้รู้สึกตัวเต็มที่ไหมตอนนี้ก็เริ่มจนเข้ากลยหรือเปล่าอ่อานะผิดธรรมดาคุณจะหลงพงเป็นไงคุณจะหลงพงเราก็อย่าทิ้งสมถะ ทำสมาธิบ้างทำสมาธะได้พักก่อนจิตใจมีกำลังแล้วตามรู้ตามดูเอาที่ตุมเป็นไงสติเกิดเองหรื อ, อยังสติเกิดเองไหมเกิดเ อ, เองได้บ่อยไหมสติที่เกิดเองกับสติที่จงใจให้เกิดต่างกันแยกได้ชัดไหมตอนนี้อันหนึ่งมันไม่ใช่สติหรอกอันหนึ่งมันโลภะ สติตัวจริงเกิด ใ, ใจจะโล่งเลยใจจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลกล้องแกล้วว่องไวสติตัวปลอมเกิดใจจะหนักหนั ก, นกแน่นแน่นแข็งแข็งซึมๆมทื่อๆช่วงนี้มีคนที่เคยฝึกอย่างที่พี่ตุงมเคยฝึกเมื่อก่อนมาหลายคนมีปัญหามากเลยนะคนถึงขั้นเพี้ยนเลยนะคือไปบังคับบังคับจิตมาก บังคับไปเรื่อยเพ่งกำหนดไปเรื่อยๆจนมันเกิดอาการของสมสถะหูได้ยินเสียงได้ยินอะไรได้ยินทั้งวันทั้งคืนใจพูดทั้งวันทั้งคืนอาจารย์บอกกำหนดเรื่อยๆไปอะไรกำเกิดขึ้นก็กำหนดไล่จี้เข้าไปจี้เข้าไปยิ่งเป็นหนักขึ้นจริงอะไรแตกปลอมเกิดขึ้นย้อนมาดูจิตของเราเนี่ยนิมิต ท, ทั้งหมดมันจะดับ ถ้าเราไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจของตัวเองโอกาสพลาดก็ไม่มีถ้าเมื่อไหร่ทิ้งความรู้สึกกายรู้สึกใจก็พลาดง่ายบางคนเพี้ยนนะคนคนที่แค่เพียเพ้ยนเพี้ยนมาถามอาตมาอีกว่มีเพื่อนอที่เป็นบ้าแล้วอะจะออกมาไปหาหมอดีกว่านะทํากรรมฐานนะทําเงินเครียดหนัก ไม่ได้นะจะมาฐานทําแล้วจิตใจตื่นเบิกบานมีความสุขรู้เนื้อรู้ตัวอะคุณดนัยเป็นไงคุณดนัยยังทําอยู่ไหมอย่าพยายามสมิมากไป <c oughs> คุณดนัยรู้สึกไหมมันยังเกรงถ้าเมื่อไหร่มันยังมีความรู้สึกเกรงเกรงอยู่นะมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นการจงใจทำถ้า ความรู้สึกตัวจริงๆเกิดในใจจะเบาเลยแบบโล่งสว่างสงบสอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานถ้าเมื่อไหร่ยังจงใจประคับประคองไว้ยังเป็นการตรุงแต่งฝ่ายกุศลความปรุงแต่งมีสมอันบุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายกุศลก็คือการที่เราคอยวบคุมกายควบคุมใจตัวเองคุณแต่ไหนรู้สึกไหมเราควบคุมกายควบคุมใจตนเอง อันนี้คือความปรุงแต่งสายกุศลสิ่งที่เราจะได้ก็คือได้เป็นคนที่ดีได้เป็นเทวดานะถ้าจิตของเราตั้งมั่นในฌานได้เป็นพรหมความปรุงแต่งสายกุศลเนี่ยส่งให้เราไปได้ถึงพรหมโลกถ้าความปรุงแต่งสายอกุศลก็คืออย่างที่ชาวโลกหริษสัต์ทั้งหลายเป็นมีแต่ความอยากอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รส อยากสัมผัสวิ่งทั้งวันวิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาตอบสนองความอยากไปเรื่อยๆอันนี้เป็นการหลงความปรุงแต่งฝ่ายอกุศล อ, อ, อีกพวกหนึ่งเห็นว่ายังถึงจะรักษาจิตเอาไว้นะก็ยังไม่พ้นทุกข์ทีเดียวยังเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเขาก็พยายามปรุงแต่งอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าปรุงแต่ง การที่ไม่มีอะไรมากระทบสัมผัสใจเราได้ปรุงแต่งอนเนชาพิสังขารปรุงความว่างว่างความไม่มีอะไรแล้วเข้าไปอยู่กับความไม่มีอะไรความว่างว่างคิดว่าอยู่ตรงนี้ดีไม่มีอะไรมากระทบเมื่อไม่มีสิ่งมากระทบใจก็ไม่กระเทือนเนี่ยความปรุงแต่งสามแบบความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลก็เป็นข้างหลงตามกิเลสมาครั้งท่านก็เรียกว่ า, ากามสุขคติการนุโยก ความปรุงแต่งฝ่ายกุศลจะเป็นเรื่องการบังคับกายบังคับใจตัวเองให้ดีนะการบังคับกายบังคับใจตนเองเนี่ยบางทีท่านเรียกว่าอัตตกิรมาฐานโยโย่คือตรงสองข้างนะถ้าหลงฝาความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลจะไปอาบายหลงความปรุงแต่งฝ่ายกุศลเนี่ยจะไปสุคติหลงความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเนี่ยท่านบอกจะจมลง หลงความปรุงแต่งฝ่ายกุศลจะลอยขึ้นมีพระสูตรอหนึง่งสมาจําไม่ได้แล้วพระสูตรที่หนึ่งเลยของพระไตรปิฎกเล่มไหนจำไม่ได้มีเทวด า, าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตาวันไปถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรข้ามพ่วงน้ําพ่วง ก, กิเลสได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตอบบอกว่าเราข้ามได้เพราะว่าเราไม่พักอยู่แล้วเราก็ไม่เพียรอยู่ ไม่พักแล้วไม่เพียร น, นะเทวดาบอกขอให้ช่วยขยายความหนะ่อยพระพุทธเจ้าก็ขยายให้หน่อยหนึ่งถ้าเมื่อไรเราพักอยู่เราจะจมลงเมื่อไรเราเพียรเราจะลอยขึ้นเทวดาได้พระโสดาบันเร า, ย, า, นะเานะยังไม่ได้นะฟังเหมือนเทวดาแล้วยังไม่ได้นะก็ฟังคำขยายต่อไปอัทธกถาเนี่ยให้ขยายความให้ คำว่าพักอยู่เนี่ยก็คือการหลงความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลหรือการสุ ข, ขาริการุโยคเนี่ย<น>คำว่าเพียนก็คือการหลงความปรุงแต่งฝ่ายกุศลหรืออัตตกิลมัฐานุโยกเมื่อไรเราพักหรือเราหลงความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจเมื่อไรเราเพียนอยู่เราจะบังคับกายบังคับใจ ในขณะที่วิปัสสนาเนี่ยคือการที่เรามีสติรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเมื่อไหร่เราเผลอไปหลงความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลไปเผลอไปมีการสุขคริกาเนุโยกไปเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เช่นในขณะที่เราเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปคิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เผลอไปก็คือไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลย ทำอะไรบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจพยายามทำความดีหลงความปรุงแต่งสายกุศลเราจะรู้กายรู้ใจไม่ตรงความเป็นจริงเพราะกายกับใจมันจะผิดความเป็นจริงคุณทะายดูยออกไหมยังทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บเราประคองปรับใจเราจะนิ่งใจเราจะนิ่งผิดความเป็นจริงยิ่งเราประคองไปจนแก่นะเรายิ่งเก่งเราจะรู้สึกว่า จิตนี้เป็นของที่รักษาได้แทนที่เราจะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้รักษาไม่ได้เราก็ไปเห็นว่าบังคับได้รักษาได้เพราะฉะนั้นมันสวนทางกับการทำลายสกิยทิฏฐนะิไม่ว่าเราจะพยายามพักเพียรบังคับไปเท่าไหรน่นนะเรายิ่งเดินห่างออกไปเรื่อยๆ เ, เดินห่างจากความรู้แจ้งออกไปเรื่อยๆ จะถามว่าระหว่างการบังคับไว้กับการปล่อยตัวปล่อยใจอะไรดีกว่ากันบังคับไว้ดีกว่าก็าปล่อยตัวปล่อยใจไปอบายบังคับไว้ไปสุขติแต่ไม่นิพพานคนละ่านกันนะพุญจะในเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะหลักของการปฏิบัติรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะงั้นอย่างถ้าเรารู้กายเนี่ย รู้กายตามความเป็นจริงก็คือไม่เผลอไปไม่ใจลอยไปลืมกายไม่เพ่งกายบางคนรู้กายแต่ไปเพ่งกายแทนเช่นกำหนดลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้านะแล้วจิตไหลไปอยู่กับลมไปเพ่งลมลืมเนื้อลืมตัวนะอย่าง น, นใช้ไม่ได้ดูท้องที่พองที่ยุบไปเพ่งท้องเดินจงกรมไปเพ่งเท้าขยับมือขยับมือสายลงปัดเกลียวยับมือ พวกหนึ่งก็ไปเพ่งมือเพ่งมือก็คือบังคับว้นั่นเองอีกพวกหนึ่งหายใจไปก็ใจลอยไปเคลิมเ ค, คลิมขาดสติลืมเนื้อลุมตัวดูท้องก็คลุม้มเคลิมไปเดินจงกรมก็ใจลอยหนีไปขยับมือก็หนีไปคิดที่อื่นใจลอยไปพวกนี้ก็หลงความปรุงแต่งไฟอภูศนอีกในกรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดเลยไม่มีข้อจํากัดอะไรหรอก อยู่ที่ว่าจริตนิสัยของเราเหมาะกับอารมณ์ตัวไหนเราก็ใช้อนะั้นบางคนเหมาะที่จะรู้กายก็รู้กายรู้กายก็ไม่ใช่เผลอไปที่อื่นไม่ใช่เผลอคิดเรื่องกายไม่ใช่เพ่งกายบางคนรู้จิตรู้จิตก็ไม่ใช่เผลอไปที่อื่นไม่ได้คิดเรื่องจิตก็ไม่ได้เพ่งจิตมันเป็นการรู้อย่างที่มันเป็นการรู้ตามความเป็นจริงคือหัวใจของวิปัสสนารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง เมื่อรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นความจริงของกายของใจเขาไม่เที่ยงนะเขาเป็นทุกข์นะเขาบังคับไม่ได้นะเมื่อเห็นความเป็นจริงนี้ก็รู้เลยเขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับเขาไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราละความเห็นผิดว่ากายกใจเป็นตัวเราได้ละสักกายติฐิได้ดังั้นต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงให้ได้อย่าไปดัดแปลงทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มดัดแปลง ร่างกายเคยเคลื่อนไหวปกติก็เริ่มไม่เหมือนปกติจิตใจเคยทำงานเป็นปกติก็เริ่มไปบังคับให้นิ่งไปตรึงไว้ค่อยทำความเข้าใจตรงนี้นะคุณเดนัยจะได้เดินได้ไม่งั้นคุณดนัยจะติดอยู่แค่ความเป็นคนดีเดี๋ยวชาติหน้าคุณดนัยก็ยิ่งรวยกว่านี้อีกยิ่งหล่อกว่านี้อีกนะยิ่งดีกว่านี้อีกนะรักพวกเพื่อนฝูงเยอะคนรักมากอาจจะได้เป็นนายกนะ มีบุญมากนะโอกาสทำชั่วก็เยอะนะไม่พอนะใในฝังที่อาตมาบอกให้ดีนะใครควรให้ดีนะอยากให้เข้าใจถนะ้าเข้าใจง่ายมันรัดนิ้วมือเดียวสั้นนิดเดียวไม่เข้าใจจะอ้อมไปเ้วยเราจะบังคับไปตลอดชีวิตนะ่ะพตายไปเราจะได้ความเห็นผิดติดตัวไปรู้สึกบังคับได้บังคับได้คืออัตตาโยเป็นไงโยบังคับไหม ถ้าไม่เผลอไปก็บังคับไว้คุณนันยรู้สึกไหมตอนดูเขาปุ๊บเราลืมตัวเราเองละแต่พอเรานึกถึงตัวเราเองเราประคองเรากําหนดเราเพ่งเราบังคับนี่สุดโต่งมีสองข้างพระเจ้าห้ามพูดเองให้รู้อย่างที่เขาเป็นให้เขาทํางานไปวิธีที่จะฝึกก็คือเมื่อตาเห็นรูปมีตาเนี่ยตาเขามองเห็นรูปดีบ้างไม่ดีบ้าง เห็นรูปที่ดีเกิดพอใจรูปไม่ดีไม่พอใจรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจเราไว้เะงั้นการปฏิบัตินี้รู้ลงที่ใจอันเดียวเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นทางผ่านเท่านั้นเองเป็นทางผ่านป้อนข้อมูลเข้าสู่ใจเพราะงั้นทางตาทางหูจมูกลิ้นเนี่ยเฉยๆมีแต่อุเบกขาทางกายก็ยังมีสุขมีทุกข์แต่ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย เป็นวิบากหมดเลยไม่มีกุศลอกุศลอะไรกุศลอกุศลมาเกิดที่ใจนั้นตาเห็นรูปมันเห็นไปด้วยวิบากรรมหมายถึงมีบุญให้ผลมาก็เห็นของสวยมีบาปให้ผลมาก็เห็นของไม่สวยบุญให้ผลมาก็มีตาที่คมชัดตาที่ดีบาปให้ผลมาก็มีตาที่ไม่ดีไม่ชัดตาบอดอะไรอย่างนี้เพราะงั้นตาก็ดีรูปก็ดีเนี่ยเป็นผลของวิบากร ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาตรงนี้มันของเก่าเมื่อเกิดการกระทบแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณมาที่ใจเราใจเราถึงจะปรุงกุศลอกุศลปรุงสุขปรุงทุกข์อะไรขึ้นมาให้เรารู้ทันที่ใจนี่มันคล้ายๆมีทางทางแยกหลายสายนะรวมลงมาสู่จตุหลั่งอันเดียวกันเราอยู่ตรงจตุหลั่งเนี่ยอะไรมาเนี่ยนะเรารู้ทันรู้อยู่ที่ใจเรารู้อยู่ที่นี่นใจหนีไปคิดทัาบไหมคุณเอเดนัย แค่รู้รู้อย่างที่เขาเป็นนะบางคนชอบไปคิดเอาเองนะคุณเดนัยมีหลายคนชอบไปคิดเอาเองอย่างคิดว่าทุกคนต้องทำสมถาก่อนจิตต้องดีต้องนิ่งก่อนถึงจะดูได้ถ้ารู้กายแล้วก็ต้องทำสมถาก่อนแต่รู้จิตเนี่ยอย่าไปทำสมถาก่อนนะการรู้กายนะเหมาะกับสมถายานิก ทำไมต้องทำสมถะต้องให้จิตตั้งมัน่นมีกำลังพอก่อนมันถึงจะสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้เป็นเพียงสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจะแยกรูปแยกนามออกกายเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้กายอย่างที่อาจารย์มานพชอบสอนใช่หไหมมีต้นจิตจิตเป็นคนสั่งแล้กายเคลื่อนไหวยเี้มันต้องแยกรูปแยกนามนะถึงจะรู้กายก็ต้องรู้จิต การปฏิบัติไม่ว่าจะดูกายเวทนาจิตธรรมต้องแยกรูปนามทั้งสิ้นเลยถ้าแยกรูปนามไม่ได้นะขึ้นวิปัสสนาไม่ได้เพราะปัญญาเบื้องต้นที่สุดเลยชื่อว่านามรูปปริจเฉ ท, ทยานการแยกรูปแยกนามออกจากกันวิธีเรียนศาสนาพุทธนะั่นเขาเรียกว่าวิพัฒชวิธีเรียนด้วยการแยกแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมาเป็นส่วนๆแล้วก็พบว่าแต่ละส่วนนั้นไม่ใช่ตัวเราถ้ามันรวมกันมันก็จะเป็นตัวเรา แยกสิ่งที่เป็นตัวเราแยกอย่างหยาบที่สุดก็คือรูปกันามกายกับใจอย่างคนไหนจะเจริญกายหยาบัิพพานันานะ้นแรกทาความสงบจิตตั้งมั่นแล้วมันจะเห็นเลยร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูร่างกายเคลื่อนไหวเพราะใจมันสั่งอย่างเี้ยจะเห็นแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไปรู้กายนะมันจะเพ่งกายเช่นไปรู้ลมหายใจนะจิตจะไปเพ่งลมหายใจ ทั้งจิตทั้งลมหายใจรวมเป็นอันเดียวกันไม่แยกไม่แยกรูปแยกนามไปดูท้องฟองยุบจิตจะไปเพ่งท้องไหลไปรวมที่ท้องไม่มีแยกรูปแยกนามหรืออันเดียวเดินจงกรมจิตไปเพ่งเท้าหรืออันเดียวอีกละจิตกับเท้ารวมกันขยับมือจิตก็ไหลเข้าไปรวมกับมือมันไม่แยกแต่ถ้าจิตของเรามีสมาธิหนุนหลังมันจะตั้งมั่นจะตั้งมั่นเห็นเลยตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเรา จะเห็นทันทีเลยไอ้ที่นั่งอยู่นี่รูปมันนั่งมันอย่างสายอภิธรรมแต่จันแนบชอบสอนกันรู้รูปยืนเดินนั่งนอนเห็นรูปมันนั่งรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนอนไม่ใช่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเราก็ไม่ได้ไปเพ่งเลยให้รู้ไม่ใช่ให้เพ่งเวลาจะดูจิตอย่าไปทําสมาธิก่อนท่านสอนบอกว่าจิตตานุปัสสนาเหมาะกับมิปัสสนาญานิก พวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากพวกปัญญาชนเหมาะกับการดูจิตพระพิธทําสอนชัดมากเลยวิธีจะดูจิตนะก็คือจิตของเราขณะนี้เป็นยังไงรู้ว่าเป็นเงยอย่าไปทําสมถะก่านไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเพ่งเพงอย่างจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดถูรู้ว่าหดถู ถ้าเราไปทําสมถะก่อนนะจิตจะไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีฟุ้งซ่านไม่มีหดหู่มันจะไม่มีให้ดูดั้งการดูจิตเนี่ยดูเข้าไปเลยไม่ต้องไปทําสมถะก่อนถ้าทำแล้วไม่มีให้ดูจะมีแต่จิตที่นิ่งนิ่งให้ดูดูไปสามวันสาคืนนิ่งอยู่ยงั้นนะเห็นจิตเที่ยงแทนที่จะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงเงั้นอย่างคุณตาในนะเคยแพร่ใ น, ะนจับหลัก อ้าพธรทำรเลยนีย่จับหลักถึงไม่เรียนอะพิธรมก็ไม่เป็นไรนะจะหลักให้แม่นหน่อยนะให้แม่นแม่นจะมาใส่ใจคุณนายนัยมากหน่อยเพราะว่าเป็นนักเผยแพรนะแ่หลักของเราแม่นเราเผยแพร่สิ่งที่ถูกได้บุญเยอะนะสอนสิ่งที่คลาดเคลื่อนไปอันตรายนิดหนึ่งหลวงพ่อชาท่านเคยไปเจอพระเมเณรองหนึ่งบอกพระวินายท่านผิดนอะ บอกทาะวินัยให้หลวงพ่อชาหลวงพ่อชาเพิ่งบวชใหม่อบอกเสร็จแล้วพระพเมรุผู้เฒ่านะอายุมากนะอยู่เชิงเขาหลวงพ่อชาขึ้นภูเขาไปอยู่บนภูเขาตอนดึกดึกนะพระผู้เฒ่าเนี่ยปีนภูเขาขึ้นไปไปบอกหลวงพ่อชาบอกผมบอกท่านผิดไปละหลวงพ่อชาบอกว่าทําไมไม่รอตอนเช้าเดี๋ยวผมก็ลงไปบอกถ้าเกิดเช้านี้ผมตายไปก่อนผมบอกท่านผิดนะ ท่านจำผิดจะสอนผิดจยผมบาปด้วยเราเระวังนะคุณเอเดนไนทำประโยชน์เยอะนะแต่โทษโทษก็เยอะนะนั้นเรียนให้แม่นแม่นนะลองอ่านปทีปส่องดำให้รู้เรื่องนะ่ะไม่ค่อยพลาดอนะ่ะขั้นแรกเลยอย่างสุดคนจะมาเรียนกันเรานะคุณเอนดนไนต้องให้เขาวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะเขามีทิฏฐิอะไร ทิฏฐิของวิปัสสนามีสองนั่นเองไม่ใช่ราคะโทสะโมหะพุท ธ, ธิวิตกอะไรพวกนั้นไม่ใช่ศรัทธาดังนหกอันนั้นเป็นสําหรับทําสมถะจริตสาหรับทําวิปัสสนามีสองอนั่นตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตคือพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบายพวกโลกมากอ่ะรักความสงบวันวั น, วนไม่อยากสูงสิงกับใครบ้างหรือพวกสนุกสนานเฮฮาม้าง พวกนี้เป็นพวกตัณหาจริตรักความสุขรักความสบายพวกนี้เหมาะที่จะรู้กายกายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับพวกตัณหาจริตเพราะว่าพวกนี้รักความสุขแต่มารู้กายมันจะเห็นความทุกข์นะแล้วการรู้กายเนี่ยเหมาะกับสมถีญานิกควรจะทำฌานก่อนทำสมาธิก่อนจิตจนตั้งมั่นเป็นหนึ่งพองจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้เนี่ยมารู้กายมันจะเห็นใกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา กายเป็นรูปธรรมเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูกายเป็นคนสั่งกายกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจะเห็นหนึง่งไม่ใช่ตัวเราเห็นละกลายไม่ใช่เราอีกจริตหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิจริตพวกคิดมากพวกชอบวิพากวิจารณพวกมิตกจริตคิดมากพวกชอบวิจารณ์ชอบวิเคราะห์ชอบวิจัยชอบถกเถียงพวกยึดถือในความคิดความเห็น พวกเจ้าลัทธิเจ้าอุดมการณ์พวกทิฐิจริตพวกนี้ท่านสอนอกหมอ ก, มอกที่จะดูจิตเพราะจิตของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกิดดับเกิดดับรวดเร็วมากเลยเราจะเห็นเลยว่าเราจะไปเที่ยวบังคับใจใครเขาใจเราเรายังบังคับไม่ได้เลยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะพวกทิฏฐิจริตหมอที่จะดูจิตการดูจิตนี่ให้ดูเลยไม่ต้องทำชาญก่อนสมาธิจะเกิดทีหลัง ทำก็ทำเล็กน้อยพักผ่อนเช่นไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยทำเล็กน้อยพุตโธนิดหน่อยหายใจนิดหน่อยไม่ต้องเยอะถ้าเยอะเดี๋ยวจิตนิ่งแล้วไม่มีให้ดูไม่มีกิเลสให้ดูเนี่ยสองสายใหญ่ๆนะเนี่แต่ละคนไม่มีรูปแบบสําเร็จรูปเหมือนไนแต่ละคนเนี่ยมีทางเฉพาะตัวทางอีสานยังมีคําสอนคนหลายคนกินน้ําบ่อเดียวกันเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกัน เป็นทางเดียวไม่เหยียบรอยกันทางนี้ก็คือทางของการเจริญสติรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ไม่เหยียบรอยกันต่างคนต่างมีทางเฉพาะบางคนรู้กายบางคนรู้เวทนาบางคนรู้จิตบางคนรู้ธรรมบางคนรู้กายก็ยังแยกออกไปอีกบางคนรู้ลมหายใจบางคนรู้อิริยาบทสี่บางคนรู้รูปที่เคลื่อนไหวสัมปชัญญะบัพปะบางคนรู้ธาตุกรรมฐาน ในสติปัฏฐานในการยานุปัสสนาเองนะไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาทั้งหมดนะคุณทนในบางอันเป็นสมถะอย่างอานาปนาสติเนี่ยส่วนใหญ่ทำแล้วจะไปติดสมถะถ้าทำแล้วเป็นวิปัสสนามันจะเห็นเลยลมหายใจเป็นธาตุเห็นตัวลมหายใจตัวลมหายใจจริงๆคือตัวธาตุทั้งดูยากมากเลยดูยากอย่างลมหายใจเข้ามันเย็น จมให้ใจออกมันร้อนรู้สึกรู้ด้วยการสัมผัสรู้ยากนะรู้ยากคุณใดในว้างๆลองเปดูนะอ่านกระชนะบ้าเข้าใจตรงนี้นะจะปลอดภัยนิดนึงแต่ที่เขียนนดีแล้วนะะมาคุณจิตสภพพนเข้ามาให้อ่านเหมือนกันเขียนในผู้จัดการเลยเขียนก็ดีนะต่อไปเราจะได้เป็นกําลัง ของศาสนาคนหนึ่งถ้าเราแม่นๆ่นนะเราจะรักษาศาสนาได้เยอะนะเดี๋ยวเราพักสักครู่